เรื่องตัวอย่างนายรามชายชาวกรุงพารันศรีคนหนึ่งชื่อรามเป็นผู้เลี้ยงมารดาบีดาออกจากพารันศรีไปค้าขายถึงนครชื่อกุมภวดีปุระของพระเจ้าทันทกีเมื่อแว่นแคว้นทั้งสิน้นถูกภัยจากฝนก้าวอยางให้พินาศอยู่เขาระลึกถึงพระคุณของมารดาบีดาเทพพระเจ้าทั้งหลายจึงนำเขากลับบ้านได้โดยสวัสดี ผลแห่งกรรมคือการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาส่วนคนเหล่าอื่นถึงความพินาศไปตำตามกันเรื่องที่ฝนร้ายเก้าอย่างตกลงในเมืองกุมภวดีปุระนั้นเป็นพระคนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นไปประทุสร้ายดาบดผู้มีศีลเข้าเรื่องย่อมีว่าหญิงแพทยาคนหนึ่งถูกพระราชาถอดจากฐานันดรจึงเที่ยวสมสู่กับชายไม่เลือกหน้า ขอแต่ให้ชายนั้นมีอำนาจมีเงินพอที่จะทูลพระราชาให้คืนฐานันดรของตนได้วันหนึ่งหญิงแพทย์สยามนั้นไปในพระราชวิทยานของพระราชาได้เห็นดาบอ ร, รูปหนึ่งชื่อกิตสวัสดชานั่งอยู่ก็เห็นเป็นการลกันนีจึงล้างตาทั้งสองข้างและถ่มน้ำลายโรชิษะดาบอรนั้นบังเอิญนางได้ฐานันดรคืนในวันนั้น พกุศลกรรมในปางก่อนของนางแต่นางเข้าใจว่าเป็นเพราะถมน้ำลายรถดาบทล่วงมาอีกสองสมวันปุโรหิตคนหนึ่งถูกถอดอีกเข้าไปถามหญิงแพทย์สยามว่าทำอย่างไรจึงได้ฐานานดอนคืนหญิงแพทย์สยามบอกว่าเพราะไปถมน้ำลายรถดาบทในพระราชบุทยานปุโรหิตจึงทำอย่างนั้นบ้างและได้ฐานัานดอนคืนในวันนั้นเหมือนกัน ความจริงเพราะกุศลกรรมของเขาในปางก่อนแต่เขาเข้าใจเหมือนหญิงแพทย์ยาต่อมาอีกพระราชาต้องการไปปราบปัดจันทชนนบทที่กำเริบปุโรหิตแนะนำให้ไปถมน้ำลายและทิ้งของโครกรถดาบทเพื่อจะได้ชัยชนะในการปราบปัดจันตะชนนบทโดยเร็วพระราชาทรงเชื่อจึงเกณฑ์มนุษย์เป็นอันมากให้ไปทำอย่างนั้น และพระองค์ก็ทำด้วยแล้วเสด็จไปปราบปัจจันตชนบทปรากฏว่าสำเร็จอย่างง่ายดายพอเสด็จกลับมาฝนก็ตกใหญ่คนทั้งหลายรื่นเริงเบิกบานและเห็นการทำ้ายดาบวดเป็นการนำสิริมงคลมาให้ทั้งนี้เพราะกรรมชั่วไม่ค่อยให้ผลทันทีมักมีหลุมพรางให้คนทั้งหลายหลงผิดเสมอ ถ้าการชั่วให้ผลทันทีที่บุคคลทำใครจะกล้าทำการกระทำของพระราชาและชาวเมืองต่อดาบทนั้นพวกเทพพยาดาโกรธมากจึงบันดาลให้ฝนร้ายต่างๆตกลงมาหลายอย่างมีฝนมีดฝนฐานเพลิงฝนหินร้อนฝนทรายเป็นต้นทำให้นครกุมภวดีปุระพังพินาศหมด มนุษย์ทั้งหลายที่มีกรรมร่วมกับพระราชาก็ตายกันเกลื่อนกลนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนชั่วนิยมในกรรมชั่วเมื่อกรรมชั่วนั้นยังไม่ให้ผลก็สําคัญกรรมชั่วนั้นว่ามีรสหวานปานน้ําผึ้งเมื่อกรรมชั่วให้ผลขึ้นมาเขาก็เดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้เรื่องตัวอย่างอุบาสกเลี้ยงมารดา อุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีเมื่อบิดาตายแล้วก็ตั้งใจบำรุงเลี้ยงมารดาเสมือนเท พ, พเจ้าปฏิบัติมารดาทุกอย่างทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมารดาก็รักเขามากอยากให้มีพัญญามาช่วยเขาทำงานบ้างแต่เขาปฏิเสธแต่มารดาก็ยังขืนนำสตรีรุ่นสาวคนหนึ่งมาเป็นลูกสะั้ยหญิงนั้นบำรุงมารดาของสามีอยู่ไม่นานนัก เกิดความเบื่อหน่ายประสงค์จะให้สามีไล่แม่ออกจากเรือนเขาฟ้องสามีว่าเมื่อสามีออกไปข้างนอกนั้นมารดาได้ด่าเธอต่างๆนาน า, นาอุบาสกนั้นก็นิ่งเสียตั้งแต่นั้นมาเธอก็ให้อาหารแก่แม่ผัวเย็นจัดไปบ้างร้อนจัดไปบ้างจืดมากไปบ้างเข็มมากไปบ้างเมื่อแม่ผัวกล่าวว่าร้อนนัก ก็เติมน้ำเย็นลงไปมากๆจงเย็นจัดเมื่อบอกว่าจืดนักก็เติมเกลือใชจนเค็มเหลือหลายทํานองนี้เมื่อแม่ผัวพูดก็ว่าจู้จี้ประเดี๋ยวจะเอาเย็นประเดี๋ยวจะเอาร้อนให้ร้อนก็จะเอาเย็นให้จืดจะเอาเค็มพอให้เค็มก็ไม่พอใจอีกจะเอาจืดเอาใจไม่ถูกแล้วพอสามีกลับมาเธอก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้ว ทนความจู้จี้ของแม่ผัวไม่ไหวไม่สามารถอยู่ในเรือนหลังเดียวกันได้ขอให้สามีนําบารดาออกไปอยู่เซที่อื่นรวมความว่าไล่แม่ออกจากบ้านอุบาสกผู้นั้นกล่าวว่าน้องหญิงเธอน่ายังสาวจะไปอยู่ที่ไหนก็พอได้ส่วนแม่ของฉันท่านแก่แล้วทุกพลภาพมีฉันคนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของท่านได้เพราะฉะนั้น เธอนั่นแหละจงออกไปกลับไปบ้านของตัวเถิดหญิงนั้นคิดว่าถ้ากลับไปก็ไปอยู่เป็นหญิงไม้มีทุกข์มากจึงไม่ยอมกลับตั้งแต่นั้นมาจึงตั้งใจปริบัติแม่ผัวด้วยดีต่อมาวันหนึ่งอุบาสกผู้นั้นไปฟังธรรมที่เชตวานารามพระศาสดาซึ่งคุ้นเคยกับเขาดีอยู่ตรัสถามถึงเรื่องบุญญาเขต คือการบำรุงมานดาบิดาเขาได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาตรัสว่าในบัดนี้เธอไม่เชื่อคําของสตรีผู้เป็นพัรยาแต่ในการก่อนเคยเชื่อมาแล้วคร้ามานดาออกจากเรือนได้อาศัยอนุภาพของเราจึงได้นำมานดากลับสู่เรือนได้ดังนี้แล้วตรัสเล่ากัดจานิชาโดกในอัฏฐกานิบาต และทรงแสดงอริยสัจ ต, ต่อเมื่อจบอริยสัจอุบาสกนั้นได้บรรลุโสดาปติผลเรื่องตัวอย่างนางกัดจานีในอดีตการชายคนหนึ่งในกรุงพาราณสีคืออุบาสกคนนั้นเมื่อบิดาตายแล้วก็เลี้ยงมารดาด้วยความรักและเคารพอ่อนน้อมเห็นมารดาประหนึ่งเทพธิดามารดานั้นชื่อกัดจานี กาจานีเห็นลูกชายต้องเหนื่อยยากจึงหาหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นลูกสะพายเรื่องต่างๆในสมัยนั้นก็เหมือนเรื่องในชาติปัจจุบันของอุบาสกคือหญิงนั้นยุยงสามีให้ไล่ามารดาออกจากเรือนสามีเชื่อจึงไล่ามารดาออกหญิงชราไร้ที่พึ่งจึงไปสมัครทำงานจ้างในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยความลำบาก เมื่อแม่ผัวออกไปแล้วลูกสะพ้ยก็มีคันนางพูดกับสามีว่าแม่เป็นหญิงไม่ดีการละกันณีเมื่ออยู่เธอไม่อาจมีคันได้แต่พอออกมาได้ไม่เท่าไรเธอก็ตั้งคันฝ่ายนางกัจจานีทราบเรื่องนั้นแล้วเสียใจหนักคิดว่าทำคือความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในสกุลและสุจริตสามคงต้องตายแล้วอย่างแน่แท้ มิฉะนั้นทำไมคนไม่เคารพมารดาบิดาไม่ประพฤติสุจริตจึงได้บุตรและมีความสุขอยู่ได้ถ้าทำยังไม่ตายคนอย่างนั้นต้องไม่ได้บุตรและ ม, มีมีความสุขในชีวิตเราควรจะต้องให้มาตรกะพัดหรืออาหารเพื่อผู้ตายแก่ทรรมนางไปป่าช้าเอากระโหลกศีรษะมนุษย์สามศีรษะทำก้อนเศร้าหรือทำเตาไฟแล้วติดไฟเริ่มซาวเข้าสาร ทีนั้นร้อนถึงเท้าสักกะเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงจำแรงเพศเป็นพรามลงมาบอกนางกัจจานีว่าทำยังไม่ตายลูกของเจ้าจะมานำเจ้ากลับไปด้วยอนุภาพของเราเรื่องก็เป็นจริงอย่างนั้นพอมีลูกเองเข้าบ้างสองสามีพัญญาก็หัวเราเลือกถึงมารดาตนเห็นคุณของมารดาอย่างน้อยก็อยู่ช่วยเลี้ยงหลานจึงมารับ พบกันระหว่างทางสองสามีภัญญามอบลงแทบเท้าของนางกัดจานีขอโทษแล้วนําไปสู่เรือนปฏบิบัติบํารุงอย่างดีความคมของเรื่องนี้คือตอนที่นางกัดจานีเตรียมทมะะํามัตกระพัตหรืออาหารเพื่อผู้ตายอุทิศให้ทำเพราะรู้สึกว่าทําได้ตายเสียแล้วนางจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือทําเพื่อประชดก็ตาม เรื่องตอนนี้ก็ยังมีความคมอยู่นั่นเองถ้าคนสมัยของเรานี้มีความรู้สึกเหมือนกัดจานีคงต้องทำมตัตรกรบพัดกันอย่างใหญ่หลวงตลอดปีเพราะปรากฏการณ์ในชีวิตคนเป็นอันมากทำให้เรารู้สึกสับสนอยู่ไม่น้อยและก่อให้เกิดความสงสัยได้ง่ายว่าทำตายเสื้อแล้วหรือหนอ ทำไมคนโกงจึงร่ำรวยและมีความสุขมีเกียรติอยู่ได้หนอทำไมคนสุจริตซื่อตรงจึงมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นฝืดเคืองทุกยากลำบากนาน า, นาประการหนอทำไมทำจึงไม่ช่วยคนประพฤติทมให้ตลอดไปหนอปัญหาเหล่านี้เว้นความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมและการเกิดใหม่เสียแล้ว ไม่สามารถปลดเปลื้องให้พ้นจากความข้องใจได้คนที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัตย่อม ต, ต้องเคยทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างมาแล้วทั้งสิน้นกรรมเหล่านั้นย่อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ผลชีวิตมนุษย์จึงเป็นสนามทดลองแรงกรรมของคนช่วงใดชีวิตมีความราบรื่นผาสุขคิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องเหมาะสมไปหมด แสดงว่าช่วงนั้นกรรมดีกำลังให้ผลช่วงใดชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรทำอะไรผิดไปหมดช่วงนั้นแสดงว่ากรรมชั่วกำลังให้ผลต่อให้มีกำลังเท่าช้างสารมีสติปัญญาปานคงแบ่งผู้รู้จบดินฟ้ามาหาสมุทรหรือมีอุบายแยบยนในสนามชีวิต ประหนึ่งนโปเลียนและบูเรงนองช่ำชองเรื่องกลอุบายในสนามยุทธแต่เมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลภัยพิบัติและความพินาศจะมาถึงเพราะผลแห่งกรรมชั่วนั้นแล้วก็ไม่มีใครสามารถต้านทานได้ผู้มีกำลังก็อ่อนกำลังลงผู้มีสติปัญญาก็กลายเป็นเฉาโฉดเสมือนแสงอาทิตย์ถูกเมฆบงังผู้มีอุบายแยบยนในสนามชีวิต ก็มืดมองไม่เห็นทางเสื่อมเสมือนพายุฝนในท้องทะเลทำให้มองไม่เห็นทิศทางหรือเห็นก็เห็นผิดไปตรงกันข้ามบางคนกำลังก็น้อยสติปัญญาก็ไม่มากแต่รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นจนเป็นคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบูรณ์ด้วยอำนาจวาสนาพรั่งพร้อมด้วยบริวารทั้งทั้งที่ใช้ความพยายามก็ไม่มาก อย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าพรอแรงแห่งบุญกรรมแล้วจะให้เห็นเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตมนุษย์ทุกอย่างย่อมมีเหตุปัจจัยและมีจังหวะของมันอยู่เสมอพอถึงจังหวะที่จะมั่งมีสีสุขมีอำนาจวาสนาก็ให้ตัดสินใจถูกทำถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปชักไปเพื่อให้เข้าจังหวะอ น, นัน แต่พอถึงคลาวจะตกอับได้ทุกก็มีอันให้เข้าใจผิดตัดสินใจผิดค้าขายอะไรก็ขาดทุนไปหมดคนมีความรู้เพราะเรียนคนมีความสามารถเพราะฝึกฝนแต่คนจะมั่งมีสีสุขและมีอำนาจวาสนานานเพราะบุญกุศลปางหลังคอยสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นไป หากเป็นได้ด้วยความพยายามและการกระทำชอบในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแล้วใครเล่าจะเป็นคนจนเพราะดูเหมือนว่าคนจนส่วนมากมีการกระทำชอบและมีความพยายามบากบั่นเหน็ด เ, เหนื่อยไม่น้อยกว่าคนมั่งมีหรือมากกว่าเสียอีกแต่ไม่ต้องท้อใจอะไรที่ทำไว้ต้องเป็นของเราไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ถ้าทำบุญกุศลไว้ไม่รวยชาตินี้ก็ต้องรวยชาติหน้าหรือชาติหน้าของชาติหน้าชาติต่อต่อไปอาจรวยติดต่อกันห้าร้อยชาติก็ได้อำนาจวาสนาก็เหมือนกันกลับมาพูดกันเรื่องการบำรุงมารดาบิดาใหม่เรื่องตัวอย่างดาบทสองพี่น้องในอดีตการมีดาบทสองพี่น้องผู้พี่ชื่อโสนะ คู้น้องชื่อนันทะเลี้ยงมารดาบิดาอยู่ในหิมมวันแต่ประเทศเป็นคนดีทั้งสองโซนะได้ฌานอภิญยาจึงไปหาพลไม้ในที่ไกลไกลมีรสอร่อยมาเลี้ยงพ่อแม่ได้ส่วนนันทะผู้น้องไม่ได้ฌานอภิญยาจึงหาพลไม้ในที่ใกลไๆมาบำรุงมารดาบิดาและเป็นธรรมดาที่นันทะต้องได้ผลไม้มาก่อนและให้มารดาบิดาก่อน ส่วนโสนะให้ภายหลังโสนะบัณฑิตเตือนน้องอยู่เสมอว่าอย่าทำอย่างนั้นหน้าที่บำรุงมารดาบิดาเป็นเรื่องของพี่และผลไม้ที่พี่หามาได้เป็นผลไม้ที่อร่อยกว่าแต่นันทาก็ไม่เชื่อยังคงทำอยู่อย่างเดิมทั้งนี้เพราะความรักมารดาบิดาอยากจะทำอะไรให้ท่านด้วยตนเองบ้างดาบทผู้พี่คือโสนะบัณฑิต ไม่พอใจต่อการกระทำของน้องชายจึงไล่น้องชายไม่ให้อยู่ด้วยนันทบัณฑิตไม่สามารถขัดขืนได้จึงรีบเข้าไปในอาสมของตนทำฌานและพิญญาให้เกิดขึ้นแล้วได้ขอโทษพี่ชายและขอบำรุงมารดาบิดาด้วยโซนะก็ยกโทษให้และยอมให้น้องชายปฏิบัติมารดาบิดาแต่ให้เลือกเอาคนหนึ่งคือแบ่งหน้าที่กัน ให้เลือกเอาว่าจะปฏิบัติพ่อหรือแม่นันทบันดิตยังไม่ทันเลือกแม่ของดาบ ท, ทั้งสองก็ออกความเห็นให้นันทผู้น้องเป็นผู้ปฏิบตับติบำรุงแม่ทีนั้นโสนบันดิตจึงพูดกับน้องชายว่านันทเธอได้ส่วนอันประเสริฐแล้วพึงปฏิบัติมารดาด้วยความไม่ประมาทเถิดเพื่อจะประกาศคุณของมารดาได้กล่าวคาถานี้ว่า มารดาเป็นผู้เอ็นดูอนุเคราะห์พวกเรามาเป็นที่พึ่งของพวกเราให้น้ำนมแก่เราทั้งสองมาก่อนมารดานั้นเป็นมัคคาแห่งโลกสวรรค์มารดาเป็นผู้คุ้มครองเราให้น้ำนมมาก่อนเป็นผู้ประกอบด้วยบุญคือให้บุญเป็นทางแห่งโลกสวรรค์มารดาเลือกเธอให้ปฏิบัติบำรุงท่านช่างโชคดีของเธอเสนียก ร, ราย พระโพธิสัตว์คือโสณบัณฑิตเมื่อจะแสดงคุณแห่งการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาและโทษของการปฏิบัติผิดในมารดาบิดานั้นจึงกล่าวต่อไปว่าคนที่มารดาบิดาเลี้ยงมาแล้วด้วยความยากลาบากไม่ปรนนิบัติท่านมิหนาซ้ํายังประพฤติผิดในท่านเสอีกย่อมตกนรกอย่างแน่นอนข้าพระเจ้าได้ฟังมาว่า คนไม่ปริบัติมารดาบิดานั้นซับย่อมถึงความพินาศบ้างต้องประสบความลําบากนานาประการบ้างส่วนผู้ปริบัติมารดาบิดาย่อมได้สุขสามอย่างคือความเพลิดเพลินหนึ่งความปราโมทหนึ่งความร่าเริงสนุกสนานหนึ่งการให้หรือการแบ่งปันหนึ่งการกล่าวถ้อยคําน่ารักหนึ่งการบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์หนึ่ง และการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะตำแหน่งหนึ่งนี่คือทำเครื่องคล้องใจสี่ประการหากทำทั้งสี่ประการนี้ยังมีอยู่ในโลกโลกก็ได้อาศัยธรรมนี้เป็นไปได้เสมือนรถอาศัยริมสลักหรือเพลาแล่นไปอยู่หากทำสี่ประการนี้ไม่มีไซามารดาบิดาก็ย่อมไม่ได้รับการเคารพ บ, บูชาจากบุตร แต่พระบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นความสำคัญของธรรมนี้และประพฤติธรรมนี้อยู่จึงได้ถึงความเป็นใหญ่และเป็นที่สรรเสริญของปวงชนเรื่องนี้มีข้อหน้าคิดอยู่หลายประการเช่นสองพี่น้องแย่งกันบำรุงมารดาบิดาผิดกับบางครอบครัวทะเลาะกันเพราะไม่ปรารถนาให้มารดาบิดาอยู่กับตนมารดาบิดาไปอยู่กับใคร คนนั้นก็ไม่พอใจชอบพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปลยว่าทำไมไม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างเหมือนมีลูกอยู่คนเดียวดังนี้เป็นต้นเห็นการบำรุงบิดามารดาเป็นภาระไม่เห็นเป็นบุญญาลาบของตนแต่สองพี่น้องนี้คือโศน่ากำนันทะแย่งกันปฏิบัติ บ, ตบำรุงมารดาบิดาอันหนึ่ง ในคํากล่าวของโซนบันฑิตนั้นมีคติอยู่เป็นอันมากขอให้พวกเราจงมีอุตสาหะในการบารุงมารดาบิดาเถิดย่อมมีแต่ผลดีโดยส่วนเดียวมีแต่ความสุขความเจริญเป็นเบื้องหน้าการบารุงเลี้ยงมารดาบิดาทพุทโองค์ทรงสแสดงภารกิจห้าประการที่บุตรจะพึงกระทำต่อมารดาบิดาของตนคือหนึ่ง ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบอันนี้หมายถึงบำรุงท่านด้วยอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสองรับทากิจของท่านคือช่วยเหลือในกิจธุระของท่านไม่เพิกเฉยดูได้สามาำรงวงสกุลเป็นความปรารถนาประการหนึ่งของมารดาบิดาที่จะให้สกุลลวงมั่นคงถาวรสืบกันไปชั่วลูกชั่วหลาน จะสังเกตเห็นว่าความมั่นคงของวงศ์สกุลนั้นเป็นความปีติภาคภูมิของมารดาบิดาเป็นอันมากยิ่งลูกคนใดคนในสกุลคนใดทาชื่อเสียงกิตยศให้แก่สกุลด้วยแล้วจะเป็นที่รักที่ยกย่องของคนในสกุลนั้นเป็นอันมากการนำารงวงศ์สกุลที่ดีนั้นคือไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์สกุล นำแต่เกีดยรติยศชื่อเสียงอันดีงามมาสู่วงศ์สกุลสี่ประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์มรดกซึ่งมารดาบิดาจะมอบให้กล่าวคือเว้นทุจริตและอบายามุข ป, ประพฤติตนอยู่ในสุจริตในสัมมาอาชีวะให้เป็นที่วางใจของมารดาบิดาและญาติผู้ใหญ่ในวงศ์สกุลไม่ให้ท่านรังเกียจว่าจะนำทรัพย์มรดก ที่ท่านหามาด้วยความยากลำบากไปล่มจมล่มละลายเสียหมดหเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศให้ท่านตามโอกาสอันครวรตามธรรมเนียมพราหม์ญาติพี่น้องจะทาบุญอุทิศให้ปิยชนมีมารดาบิดาเป็นต้นในวันที่สามนับแต่วันตายส่วนมากชาวอินเดียจะไม่เก็บศพไว้พอตายก็นำไปเผาเลยในวันนั้น แล้วค่อยทำบุญอุทิศในวันที่สามเขาถือว่าวิญญาณของผู้ตายจะรู้สึกตัวในวันนั้นแต่ธรรมเนียมไทยเราเริ่มทำบุญอุทิศให้ตั้งแต่วันแรกที่ตายทีเดียวปัญหาข้อหนึ่งที่คนสงสัยกันมากคือการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายนั้นถึงจริงหรือไม่ถ้าถึงถึงในฐานะอย่างไร คือไปเกิดอย่างไรจึงจะสามารถรับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ได้ปัญหานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อภาพามคนหนึ่งชื่อชานุสโสณีว่าคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดาหรือเป็นมนุษย์ย่อมไม่สามารถรับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ได้เพราะสัตว์นรกย่อมเสวยกรรมเป็นอาหาร สัตว์เดรัจฉานก็กินอาหารอย่างสัตว์เดรัจฉานเทวดาบริโภคของทิพย์ส่วนมนุษย์ก็กินอาหารอย่างมนุษย์แต่คนใดตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตคนนั้นย่อมได้รับส่วนกุศลที่ญาติพี่น้องทำบุญอุทิศไปให้เพราะเปรตอยู่ด้วยอาศัยบุญกุศลที่ชาวโลกมนุษย์ทำบุญอุทิศไปให้เท่านั้นพรามณ์ถามต่อไปว่าถ้าญาติพวกนั้นไม่ไปเกิดเป็นเปรต ใครจะบริโภคผลบุญที่อุทิศไปให้พระาศาสดาตรัสตอบว่าญาติเหล่าอื่นที่ไปเกิดเป็นเปรตย่อมบริโภคผลบุญนั้นพราหมณ์ทูลถามว่าถ้าไม่มีอีกใครจะเป็นผู้รับผลพระาศาสดาตรัสตอบว่าเป็นไปไม่ได้เลยพราหมณ์ที่เปตตโลกจะว่างจากญาติสาโลหิตเป็นเวลานาน คือญาติสารโลหิตที่ไปเกิดเป็นเปรตย่อมมีอยู่เสมออันหนึ่งทายกผู้ให้ทานทำบุญย่อมไม่ร้ายผลมีเปรตอยู่ชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าปรทัตตูปชีวีแปลว่ามีชีพอยู่ด้วยของที่คนอื่นให้เปรตพวกนี้แหละได้รับผลแห่งบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้เปรตบางพวกกินน้ำเลือดน้ำหนองเป็นอาหารก็มี อย่างไรก็ตามหากไม่มีใครรับส่วนกุศลจริงๆตัวพูดทำนั่นเองก็ไม่ร้ายผลต้องได้อยู่แล้วส่วนที่ให้แกคนอื่นนั้นเป็นเพียงส่วนที่แบ่งให้และบุญนั้นก็ไม่ได้ลดลงเช่นวัตถุสิ่งของภายนอกมีแต่เพิ่มพูนขึ้นและได้บุญทั้งส่วนธานาไมและส่วนปฏิทานาไม